การเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความปวดไข้ไม่ส บ, บายความเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์การเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นทุกข์เป็นเทวดาทุกพรหมก็ไม่สิ้นทุกข์เมื่อหมดบนวาษามารมีก็มาเกิดใหม่สิ่งที่สุขที่สุดคือหมดทุกข์ก็คือพระนิพพาน